จเจริญพรท่านทูมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจกางานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำใจให้สงบให้สะาดเพราะความสงบความสะอาดงใจนำความสุขมาให้นั่นเองถ้าเราได้ทำบุญให้ทานไม่ทำบาตรักษาศีลได้อันทสมก็คือ ใจของเราจะได้เป็นเทพได้ขึ้นสวรรค์คำว่าสวรรค์นี้ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นความรู้สึกภายในใจคือความสุขใจถ้าเราทำทานทาบุญให้ทานรักษาศีลไม่ทำบาใจของเราก็จะมีความสุขความสุขของใจเรียกว่าสวรรค์ผู้ที่มีความสุขทางใจ ที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้นิยมเคราะห์ผู้นไม่เบียดเบียนผยู้ก็เป็นเทศถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็เป็นพรหมถ้าเจริญวิปัสสนารู้จ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราก็จะเป็นพระอริยเจ้าท่านต่างๆนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการมาทำบุญรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมถ้าไม่รักถ้าไม่รักษาศีลทำบาปตายไปก็จะต้องไปเป็นเดนรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้างนี่คือเรื่องของของพวกเราทั้งหลายที่เราจะต้องเดินทางไปจุดใดจุดหนึ่งหลังจากที่เราตายไปแล้วคือร่างกายตายไปแล้วแต่ตัวเราคือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็จะต้องไปรับผลที่ ใจได้ทำเอาไว้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันทำบุญให้ทามันรักษาศีลมันนั่งสมาธิมันเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะนี่แลคือการยกระดับจิตใจ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนถึงขั้นที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจนั่นก็คือนิบบานังปรมังสุขค้านิพพานก็คือ ความบารมก็คือบาลมาสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถสร้างให้แก่จใจของเราได้ดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปรรัญญาวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นเราก็ทำบุญให้ทานก่อนการทำบุญให้ทานนี้แปลว่าการให้ ทานนี้แปลว่าการให้เมื่อให้แล้วก็ได้ก็จะเกิดบุญบุญก็คือความสุขใจหรือสวรรค์นี่เองมีความเชื่อว่าถ้าให้ภิกษุให้พระเรียกว่าบุญให้คารวะญาติโยมให้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระเรียกว่าทาน ตามจริงแล้วเป็นทานทั้งสองทั้งสองกรณีให้พระก็เป็นทานให้คารวะญาติโยมก็เป็นทานเพราะคำว่าทานนี้แปลว่าการให้ส่วนผลที่จะได้รับนั้นเรียกว่าบุญให้พระก็ได้บุญให้คารวดก็ได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ใจของเราว่า ให้ด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากผู้รับอย่างนี้ก็จะได้บุญมากได้ความสุขมากถ้าให้ด้วยการมีความหวังที่จะได้ผลตอบแทนจากผู้รับเช่นอยากจะให้เขาขอบอกขอบใจอยากจะให้เขาสํานึกในบุญคุณ อยากจะให้เขารักเราดีกับเราหรืออยากจะให้เขาทำอะไรให้สักเราสักอย่างนึงอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นเหมือนกับการซื้อขายเช่นเวลาเราไปที่ร้านเราเอาเงินให้เขาแล้วเขาก็ให้ของกลับมามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญ ทำบุญต้องให้อย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนให้แล้วเขาจะทำอะไรอย่างไรไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราให้แล้วเราหวังผลตอบแทนถ้าเกิดไม่ได้รับผลตอบแทนแทนที่จะมีความสุขใจเรากลับจะมีความเสียใจมีความทุกข์ใจเพราะนั้นเวลาเราให้ถ้าอยากจะให้แล้วมีบุญอยากจะ เป็นเทพเราก็ต้องให้ด้วยความเมตตาโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนเช่นเราเห็นคนเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราสงสารเขาอยากจะให้เขาได้มีความสุขบ้างให้ได้บรรเทาความทุกข์ของเขาลงไปบ้างเราก็ช่วยเหลือเขาด้วยการให้สิ่งของที่เรามี มากเกินไปที่เราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บไว้ให้อย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญทีนี้ก็มีการให้ที่จะมีผลที่ได้มากกว่าบุญคือนอกจากการให้ที่จะได้บุญคือความสุขใจแล้วบุคคลที่เราให้นั้นก็อาจจะมีสิ่งให้กับเราได้ ที่มีคุณมีประโยชน์กว่าบุญที่เราทำก็คือถ้าเราได้ทำกับพระที่มีธรรมะเราทำบุญแล้วเราก็จะได้ฟังธรรมะจากท่านธรรมะนี้มีคุณค่ากว่าบุญที่ได้จากการให้ทานเพราะธรรมะนี้เป็นปัญญา ปัญญานี้สามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าเวลาจะให้ใครนี้ควรจะเลือกคนให้ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะจากคนที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราไปให้คนที่ไม่มีธรรมะเขาก็ไม่สามารถที่จะสอนธรรมะให้กับเราได้ แต่ถ้าเราไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะเราก็จะได้ธรรมะกลับมาก็จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราทำบุญกับพระธรรมดาพระที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะสองก็จะได้บุญหนึ่งเท่า ถ้าทำบุญกับพระ อ, อริยะเจ้าขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบัน <c oughs> ก็จะได้บุญสิบเท่าคือได้ธรรมะสิบเท่าถ้าได้ทำบุญกับพระ อ, อริยะขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีเราก็จะได้บุญร้อยเท่าถ้าทำบุญกับพระ อ, อริยะขั้นที่สามคือพระ อ, อนาคามีเราก็จะได้บุญพันเท่า ถ้าทํากับพระอาหารหันต์พระอริยะขั้นที่สี่เราก็จะได้หมื่นเท่าถ้าได้ทําบุญกับพระปเจกับพระพุทธเจ้าเราก็ได้แสนเท่าถ้าเราทําบุญกับพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้ล้านเท่าได้ธรรมะมากดังที่ผู้ที่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธกาล พอทำบุญปับได้ฟังเทศฟังธรรมปับก็บรรลุได้เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเพราะอนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีกาลังมากสามารถทะลุความมืดบอดภายในใจของเราได้ทรงตัดสอนเพียงคำสองคำผู้ฟังก็สามารถบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลย นี่คือความแตกต่างในพลังธรรมของแต่และบุคคลของพระธรรมดานี้ก็มีเพียงหนึ่งเท่าของพระอริยเจ้าก็มีตั้งแต่สิบเท่าขึ้นไปเป็นถึงล้านเท่าถ้าเราทำบุญเพื่อลเพื่ออยากเพื่อจะได้ธรรมะได้ปัญญาเราก็ต้องหาพระที่มีปัญญามีธรรมะมากๆทำบุญด้วย เพื่อเราจะได้รับธรรมะจากท่านแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราทำบุญเพื่อความสบายใจเราทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวะก็ได้เช่ทนทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำแล้วเราก็จะมีความสบายใจมีความสุขใจแต่เราจะไม่ได้ธรรมะเพราะคารวะยากิโยนี้ ยังไม่มีปัญญายังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมยังไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไร bö. ก็จะไม่ได้รับธรรมะจากบุคคลเหล่านั้นนี่คือเรื่องของการทำบุญที่ว่าจะเลือกคนทำด้วยหรือไม่ถ้าไม่เลือกทำทำกับใครก็ได้ถ้าจะเลือกทำก็ต้องเลือกทำกับคนที่ มีธรรมะมีปัญญาเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าเราเรียนกับครูที่จบชั้นป .6 เ ร, น <pling> เราก็จะได้ความรู้เพียงระดับป .6 ถ้าเราเรียนหนังสือจากครูที่จบมัธยม6เราก็จะได้รับความรู้ในระดับมัธยม6ถ้าเราเรียนจากครูที่จบปริญญาตรีเราก็จะได้รับความรู้ในระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกับระดับปปิญญาโทและระดับปปิญญาเอกเพราะบุคคลนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนเหมือนกันแต่ความรู้นั้นไม่เหมือนกันเพราะศึกษามาไม่เท่ากันพระก็เหมือนกันพระที่บวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้ก็มีความรู้ไม่เท่ากันมีความสา ม, มารถไม่เท่ากันเพราะศึกษาและปฏิบัติไม่เท่ากัน ผู้ที่ศึกษามากปฏิบัติมากก็จะมีความรู้มากมีความสามารถที่จะสองสอนผู้อื่นได้มากกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกทำบุญกับบุคคลต่างๆถ้าเราต้องการธรรมะต้องการความรู้ต้องการปัญญาแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราเพียงอยากจะทำใจให้สบาย เราก็เลือกทํากับใครก็ได้ทํากับสุนัข ก, ก็ได้ทํากับปุ๊บปลาทํากับนกกระลาเช่นปล่อยนกปล่อยปลาก็จะทําให้ใจเรามีความสุขมีความสบายใจเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับธรรมะใจของเราก็ยังมืดบอดเหมือนเดิมไม่ฉลาดขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้ว ก็จะมีความฉลาดขึ้นจะรู้อะไรมากขึ้นเช่นจะรู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายชีวิตของเรานั้นไปต่อเพราะใจของเรานี้ที่เป็นชีวิตของเรานี้ไม่มีวันตายจะไปสูงไปต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาปหรือบุญที่เราได้ทากันแล้วถ้าเราไม่อยากจะ ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะตอนนี้ใจของพวกเรายังมีกิเลสเครื่องเศร้ามองอยู่ที่จะทำให้จิตใจเราหิวกะหายอยากโลกอยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะผลักดันให้ใจของเราต้องไปเกิดใหม่ เวลาที่ไม่มีร่างกายนี้แล้วก็จะต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนพอได้ร่างกายใหม่มาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือธรรมะที่เราจะได้รู้ถ้าเราไม่มีธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนเราเราจะไม่รู้ว่าเราหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราจะต้องไปเกิดใหม่ต่อไปตามอำนาจของบุญกรรมของบาปที่เราทำเอาไว้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการได้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะหลงไปกับการเวียนว่ายตายเกิดหยิบยุดทุกภบทุกชาติเหมือนกับที่เราได้ทำมาแล้วในอดีตภพชาติที่เราได้เกิดแก่เจ็บตายมาที่ผ่านมานี้ มีจำนวนมากมายกายกองน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วจะมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูกันแล้วกันว่าเราทุก์มามากน้อยเพียงไรร้องห่มร้องหายมามากน้อยเพียงไรและจะร้องห่มร้องหายและจะทุกข์อย่างนี้ไปต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟัง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะสามารถตัดภบตัดชาติของเราให้น้อยลงไปตามลําดับจนหมดสิ้นไปได้เลยไม่มีของเหลือปีภบชาติให้เราต้องมาร้องโหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปนี่คืออํานาจของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะสอนให้พวกเรารู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นพวกเราจึางถือว่ามีบุญมากมีวาสนามากที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์และไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถ ที่จะปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีทั้งสองส่วนต้องเกิดเป็นมนุษย์และต้องมีพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนธรรมะให้กับเราเราก็จะไม่รู้ว่าตายไปแล้วเป็นอย่างไรเราก็จะไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดี เราก็จะทาไปตามความรู้สึกของเราซึ่งส่วนมากก็จะชอบทำบาป ก, กันชอบทำชอบโลภชอบโกรธชอบหลงกันก็จะทำอย่างนั้นไปเหมือนที่เคยทามาแต่ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ทําบุญละบาปให้ชําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นมาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขแล้วก็ถ้ามาอาศัยวัดอยู่เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเช่นตอนนี้สุนัข ก, ก็นอนอยู่ นั่งอยู่ข้างนอกศาลาฟังเสียงธรรมะอยู่แต่เขาไม่เข้าใจความหมายเขาก็ไม่รู้ว่ากำลังพูดเรื่องอะไรกันดังนั้นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาเกิดในขณะที่มีพระพุทธศาสนาด้วยถ้ามีทั้งสองส่วนแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติทำให้ตัวเรานี้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ในชาตินี้เลย ดังที่พระสาวกทั้งหลายได้ทำกันมาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติด้วยความภาคเพียรขยันด้วยความอดทนจนในที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะได้บรรลุเป็นพออระอรหันต์นั่นเองพออระอรหันต์ก็คือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว เพราะอะไรเพราะได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วได้ทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของภพชาติให้หมดไปจากใจแล้วด้วยการทำบุญให้ทางด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาภาวนานี่คือเครื่องมือที่จะยกระดับจิตใจให้ สู่พระนิพพานให้สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นโอกาสที่เลิศที่ประเสริฐของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราจรึงไม่ควรที่จะตั้งอยู่ในความประมาอย่าผัดวันประกรันพุ่งว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยค่อยทำ เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอชีวิตของพวกเรานี้เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เส้นเล็กๆที่จะขาดได้ทุกเวลาถ้ามีอะไรมาตัดให้มันขาดดังนั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปจนถึงวันแกวันตาย เพราะวันตายของเราอาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบผลขวาญทำบุญกันอย่างเมื่อกี้ก็มีญาติโยมท่านหนึ่งก็มาทำบุญให้กับแม่ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแต่การทาบุญให้กับแม่นี้เราทำไม่ได้แม่ต้องเป็นคนทําเองบุญนี้เกิดจากการกระทําของเรา เกิดจากของของเราเกิดจากความตั้งใจของเราที่จะเสียสละของของเราไปให้แก่ผู้อื่นถ้าเป็นของคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไปทำให้เรานี้เราไม่รู้เสียอะไรเพราะเราไม่ได้ชนะความตนหนีไม่ได้ชนะความเสียดายถึงที่เราต้องการชนะก็คือความหวงในข้าวของเงินทอง ต้องการชนะความเสียดายเพราะเวลาเสียดายเวลาของหายไปหรือสูญไปนี่ความเสียดายก็คือความทุกข์ใจนี่แต่ถ้าเราทำอย่างไม่มีความเสียดายเวลาเราต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะจากอย่างสบายใจเราจะไม่เสียดายอะไรต่างๆในโลกนี้นี่คือเจตนาของการทำบุญให้ทาน ก็เพื่อที่จะตัดความตนนีตัดความหวงในข้าวของเงินทองต่างๆอย่าไปหวงอย่าไปอย่าไปยึดติดเพราะเวลาจะจากกันนี้จะเสียใจจะทุกข์ทรมานใจจะใจจะไม่ไปสวรรค์ใจจะไปโอบาดด้วยความเสียดายด้วยความยึดติดดังนั้นถ้าเรามีเวลาตอนนี้ ขอให้เรามาฝึกทำบุญให้ทานกันให้ติดเป็นนิสัยไปควรจะทำทุกวันเลยยิ่งดีอย่าทำแต่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระเท่านั้นวันอื่นก็ควรจะทาเช่นใส่บาตรถ้ามีพ้าผ่านมาที่บ้านถ้าไม่มีก็เอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรนี้ใส่กระปุกเอาไว้พอถึงวันที่เรามาวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ มาทําวัดทําบุญที่วัดเลื่อไปซื้อข้าวของที่เราจะมาทําบุญต่อทําทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยจะทําให้จิตใจนั้นไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติข้าวของเงินทองจะไม่เสียดายเวลาที่สูญเสียเงินทองไปคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆเวลาเงินหายนี่จะไม่ทุกข์ใจเหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญ คนที่ไม่ทำบุญนี้เวลาเงินหายนี้จะเสียดายเสียใจจะโกรธแต่คนที่ทำบุญอยู่เป็นประจำเวลาเงินหายไปก็จะคิดว่าเป็นการทำบุญไปแทนที่จะเสียใจกับมีความสุขใจคิดว่าใครเอาไปก็ก็เป็นประโยชน์กับเขาเขาได้ความสุขเราไม่เดือดร้อนอะไรเราอยู่ได้คิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจ ถ้าเราได้ทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความเมตตาเราจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้เราสามารถขึ้นชั้นของการปฏิบัติขึ้นชั้นที่สองได้ก็คือรักษาศีลได้ถ้าเราใจของเรายังไม่มีความเมตตายังมีความโลภอยากได้เงินทองอยู่เวลาเราทามาหากินเราจะรู้สึกว่า รักษาศีลลำบากรักษาศีญยากเพราะต้องพูดโกหกเพราะกลัวถ้าไม่โกหกแล้วจะไม่มีคนซื้อของของเราหรือจะไม่มีรายได้าจากเขาแต่ถ้าเรามีใจที่เมตตาและไม่โลภอยากได้เงินมากจนเกินไปเราก็จะรักษาศีลได้เวลาทํอาหากินเราก็พูดตรงไปตรงมาไม่ต้องโกหก เพราะเราไม่ได้โลภอยากได้เงินทองเขามากถึงขนาดนั้นถ้าเขาไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรถ้าเขาซื้อก็ซื้อแต่เราไม่พูดโกหกแล้วเราสบายใจมีความสุขดีกว่าพูดโกหกแล้วได้เงินมาไม่คุ้มค่ากันเราก็จะรักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะเย็นสบายเราจะมีเวลามาทาใจให้สงบ มาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราปฏิบัติถ้าพวกเราปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วจิตใจของเราก็จะเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลําดับอย่าข้ามขั้นตอนอย่าภาวนานั่งสมาธิ โดยที่ยังไม่มีบุญคื อ, อยังใจยังเป็นยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ถ้าหวงถ้าหวงสมบัติวันนันั่งสมาธิใจก็จะนั่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวเกิดไปคิดถึงสมบัติเข้าของเงินทองก็เกิดความหวงขึ้นมาเราต้องไม่หวงไม่ต้องหวงสมบัติเข้าของเงินทอง แล้วเราก็ต้องไม่ทําบาปไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก่อนถ้าเรายังทําไม่ได้เวลานั่งสมาธิใจจะสงบไม่ได้เพราะใจจะว่าหุ้นขุน ม, มัวกับเรื่องเงินทองกับเรื่องการไปทําบาปมาเราต้องทําบุญให้ทานก่อนต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วเราจึงค่อยมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์กัน แล้วถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลที่ดีและเร็วเราก็ต้องถือศีลแปเพราะศีลห้านี้มีกำลังไม่พอศีลห้านี้ยังไม่สามารถป้องกันใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าถือศีลแปแล้วก็จะป้องกันได้คนที่ถือศีลแ8ก็จะไปหาความสุขจากการ ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้ไปหาความสุขจากการดูการฟังสิ่งบันเทิงต่างๆไม่ได้ไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เพราะจะต้องรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็รับประทานอาหารไม่ได้เวลาหลับนอนก็ไม่ให้นอนบนฟูกหน า, หนาเพราะจะทาให้นอน นานเกินไปถึงแม่ร่างกายจะตื่นแล้วได้พักผ่อนพอแล้วแต่ใจก็จะไม่อยากรู้เพราะว่าผูกมันนิ่มมันสบายก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าเวลาร่างกายได้พักเต็มที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อ ก็จะได้ลุกขึ้นมาไหว้พระสวนมนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้แล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมที่จะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมายกระดับจิตใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายด้วยการปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำบุญและบ่าวและชำระใจให้สะอาดดอนสุดไม่มีใครทําแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ทําเองแลวเราต้องรีบทําเสียแต่ตอนนี้เพราะถ้าเกิดเวลาเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่สามารถทําได้หรือเกิดเวลาที่เราตายไปก่อนเราก็จะไม่มีโอกาส แล้วเมื่อเรากลับมาใหม่เราก็อาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครมาบอกให้เราปฏิบัติกัาแล้วก็จะทําบุญทําบาปไปตามอารมณ์ของเราเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษที่เลิศที่สุดอย่าปล่อยให้โอกาสอันดีนี้หลุดมือจากเราไป รีบเร่งทำบุญให้ทานรักษาสิงปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ทำให้จิตใจของเราหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมาให้ทานรักษาสิงฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่จะตามมาก็คือการสิ้นสุด